พระศา ส, สดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจง้งและว่าบาปจะไม่ให้ผล น, นั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกนั้นมีแต่กําไรไม่ขาดทุนและทําให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลำตัวลงไปในความชั่วหนัหนกๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้ว เกิดชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทสูกริกเป็นต้นเรื่องนายจุนทสูกริกนายจุนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสูกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงขี้เป็นประจำเขาเป็นชาวราชฤกษ์ประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึงห้าสิบห้าปีเมื่อขาแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเวียนไปตามชนบท เอาไปแลกลูกหมูมันทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนพร้อมค้ อ, อเขา่าข้างหลังค้อปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจระบ้างอ้วนทวน้วมอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดาาก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นเพื่อให้บวมแล้วง้างปากสอดไม้เข้าไปในช่องฟัน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 เอาเลือดคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อแล้วปิ่งนั่งรับประทานก บ, บุตรปัญญาเขาเลี้ยงชีพโดยทํานองนี้อยู่ถึงห้าสิบห้าปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่นเวรุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทะสูกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทําดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเ ร, าร่าร้อนจากอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว ท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทาลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยด์ได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยด์โดยรอบและมีอยู่ตลอดการความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาค เ, เสนเถระกล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้า ม, มิลินว่ามหาบอผิด แม่หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไว้อํานาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร้าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนท่าสูกริกเป็นอันมากอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและพันยาเป็นต้น จับขาวไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนคลานสีขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะโหนขูเสียงของเขาบุตรพรนยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทะสูกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่วตลอดเจ็ดวันพอวันที่แปดจุนท่าสูกริค ก, ก็ทํากาละคือตาย ภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวลุวันเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทสุกริปปิดประตูเรือนข้าสุกรมาเจ็ดวันแล้วเขาคงทํางานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความกรุณาต่อสัตว์เลยไม่เพียงเล็กน้อยผู้หยาบช้าร้ายกาศอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระศาสาศดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทสูกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟในอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึงเจดวันวันนี้คือวันที่แปดทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วข้าแต่พระองค์นายจุนทสูกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาณ จะเป็นบรรพชิตหรือคารหัดก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสตรงนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทําบาทย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใส ใจเศร้าหมองชักนำไปสู่ทุกขติใจผ่องใสนำไปสู่สุขติจึงควรทำใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดี